พระองครองคารวะวิสัยเก0 0พปีเล่ากันว่าทรงมีปร า, าสาทสามหลังชื่อว่าสุจันทนะส ก, กันจนะและสิริวัฒนะปรากฏมีพระสนมนารีนางนักฟ้อนประมาณ38000นางมีพระนางสุมาามหาเทวีเป็นประมุขพระสมเมทกุมานนะนะพระโพธิสัตว์เมื่อพระโอรสของพระนางสุมนณาเทวีพระนามว่าปุณพสัสมิตตะ สมภพคือประสูตธ์พระองค์ก็เห็นนิมิตรสีเสด็จออกมาหาอภินศสกรมด้วยยานมา้าผนวดมนุษย์ร้อยโกรธก็บวชตามพระองค์อันมนุษย์เหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็ทำความเพียรประมาณ8เดือนในวันวิสาขะบุรมีสเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาที่ที่ดานกุละเศรษฐีณนะนกุละนิคมถวายแลว้วทรงยับยั้งพักกลางวันณสสารวัน พระองค์ก็รับย้าแปดรำรที่สวัถอาชีวกถวายแล้วก็ลาสัมทับย้ากว้างยี่สิบศอกที่โคนโรพพึกชื่อว่านีปะต้นกระทุ่มข้า ง, ง, ง, งก่อนเนี่ยบอกว่าต้นต้นเสดาวนะในเรียกว่าต้นกระทุ่มคือคือคงมีปัญหาที่การแปลนะที่บอกว่าต้น ต้นนิมพระเนี่ยนะจริงๆไม่น่าจะแปลว่าต้นเดาหรต้นนิมพระนะนเลรุปุจิมันทมูเลเนี่ยนะตัวนั้นอ่ะรูปุจิมันทมูเลอ่ะนะถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าต้นเสดาใช่แต่ต้นนิมพระไม่ไม่แปลว่าต้นเสดาหรอกแปลว่าต้นกระทุ่มเนี่ยตามมัตตกดาแปลถูกต้องเรียกว่าต้นกระทุ่มนะไม่ใช่ต้นเสดา พระองค์กําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารแล้วก็บรรลุพระอภิสัมโพธิยานเปล่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นพระองค์ยับยั้งใกล้ๆต้นโพพฤกษ์เจสัปดาห์ในสัปดาห์ที่8พระองค์ก็ทรงรับอาราธนาแสดงธรรมของเท้ามหาพรหมพระองค์ตรวจ ด, ดูภาพภาพบุคคลบุคคลที่พอจะตรัสรู้ได้พระองค์ก็เห็นสารณะกุมารและสัพพกามีกุมารพระกนิตตพาดาของพระองค์เรียกว่าน้องต่างมารดา และพิสูจน์ที่บวชกับพระองค์ร้อยโกรธเป็นผู้สามารถแทงตลอดทำรรคืออริยสัจทั้งสี่ประการก็เสด็จทางอากาศลงที่สุทัศนะราชอุทยานใกล้กรุงสุทัศนะโปรดให้พนักงานเข้าเฝ้าณนะพระเฉุทยานเออขอให้พนักงานที่เฝ้าอุทยานนั้นเรียกพระกนิตภพาดามาแล้วทรงประกาศทธรรมาจากท่ามกลางบริวารเหล่านั้นครั้งนั้น ทรมาพิสมัยได้มีแกสัตว์แสนโกรธนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจจำนวนมากครั้งที่หนึ่งดังที่พระองค์ตรัสให้พระสารีบทฟังในสมาคมพระญาติกรุงกบิลพัทว่า ต่อจากสมัยของพระปฐุมุตระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้นำโลกผู้ที่เข้าเฝ้าได้ยากมีพระเดชอย่างยิ่งเป็นพระมุนีสูงสุดแห่งโลกทั้งปวงพระองค์มีพระเนตรผ่องใสพระพักงามพระวรกายใหญ่ตรงสดใสแสวงหาแต่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ท่งเปลื้องสัตว์เป็นอันมากจากเครื่องผูกรั้ง พระผูะ้เทเจ้าทรงบรร ล, ลุโพธิญาณอันสูงสุขสิ้นเชิงทรงประกาศพระธรรมจักณกรุงสุทัศนะอภิสมัยการอภิสมัยในการทรงแสดงธรรมคือการตรัสรู้หลังจากการแสดงธรรมของพระองค์มีสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีผู้บรร ล, ลุแสนโกฎพุทธลักษณะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าประสานเนโต ผู้มีนัยนาใสสนิทท่านบอกว่าพระเนตรใสเหมือนก้อนแก้วมณีที่เขาชําระขัดวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกพระองค์ว่าผู้มีพระเนตรใสพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาที่สดใสอย่างนั้นอธิบายว่ามีนัยนาดวงตาประกอบด้วยขนตาอันอ่อนน่ารักเขียวไร้มนทินและละเอียดจะกล่าวว่าสุ ป, ปสันนะปัญจัจยโนมีจักสุห้าผ่องใสอย่างดี นะจักสุห้าจริงๆไม่ใช่ใสแต่ตาเนื้อนะตาทิพก็ใสเห็นได้กว้างไกลส ม, สมสมความต้องการที่พระองค์จะเห็นพระองค์มียานะจักสุที่ผ่องใสมีสมันตะจักสุที่สดใสแล้วก็มีพุทธจักสุที่กว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่ามีจักสุห้าประการที่พองใสอย่างเยี่ยม พระพุทธเจ้าของเราก็จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นเช่นเดียวกันหมดนั่นแหละแต่ว่าจะยกองคไหนมาสรนเสริญประเด็นใดอะไรตรงไหนเท่านั้นเองบทว่าสมุขโขมีพระพักเหมือนดวงจันท์เต็มดวงในฤดูสัตบ้างแห่งท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคางคล้ายกับคางราชสีเพราะฉะนั้นในคางก็จะอูมนิดหนึ่งนะก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันท์แสดงว่าหน้าพระองค์อาจจะดูกลมหน่อยบทว่าบรารหาได้แก่พรหา คือใหญ่พระองค์มีพระสรีระขนาดใหญ่88ศอกอธิบายว่าขนาดพระสรีระไม่ทั่วไปกับคนอื่นๆ อ, อูชูพระองค์เนี่ยมีกายตรงเหมือนกายพรหมคือมีพระสรีระสูงตั้งขึ้นนั่นเองอธิบายว่ามีพระวรากายเหมือนเ ส, สารเนียรทองที่เขายกขึ้นกลางเทพนครนะเป็นร่างกายที่นั่งตรงเลยนะพระองค์จะไม่คือเป็นสรีระของพระองค์เนี่ยตรงจะไม่แบบโคต เอียงงอลงหรือว่าเอนหรือว่าบิดเบี้ยวอะไรไม่มีเรียกว่าผู้มีกายตรงบทว่าเตสีแปลว่าสแสวงหาแต่ประโยชน์เพื่อกูลอะิเตสีเนี่ยนะิตตะก็คือขัวกูลสีตัวนั้นแปลว่าลักษณะของผู้ที่มีปกติสแสวงหาแต่ความเกือกูลแก่ชนเราอื่นว่าสิ่งใดหนอจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูล โดยศัย์คําว่าเกื้อกูลเนี่ยนะฮิตะตัวนั้นหมายถึงอริยมรรคเนี่ยนะพระองค์แสวงหาแต่อริยมรรคโดยเฉพาะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดให้แก่สัตว์ทั้งหลายครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติตอนย่ํารุ่งย่ารุ่งก็แสดงว่าควรแปลนีชุดโบราณหน่อยนะว่าย่ารุ่งกตีกลองตอนเช้าใช่ถึ ง, ต, ง, ต, งตีกลองเช้าตีกลองเย็นก็จะมีย่ารุ่งย่ยําค่ําย่ำเท้า สมัยกรองกับสมัยกอ่ยกอนสมัยที่มีทุ่มมองอ่ะนะทุ่มมองอ่ะมันแสดงว่าคนแปลเนี่ยนะยุคเก่าแกม่มากเรียกว่ายามรุ่งอรุณนะนะสมมาสำนวนสมัยใหม่บอกยามรุ่งอรุณยามเช้าตรู่พระองค์เข้ากรุณาสมาบัติหลังจากออกจากกรุณาสมาบัติแล้วเนี่ยนะคำว่าเข้ากรุณาสมาบัติเนี่ยนะแปลว่าพระองค์ดูความทุกข์ยากของหมูสัตว์เนี่ยนะทุกง่มุม ลองยังรู้หมดว่าเขาทุกอะไรกันบ้างทุกทางร่างกายเป็นอย่างไรทุกทางจิตใจนี่เป็นอย่างไรแบ่งออกมาสองอย่างกล่มทุกกายกับทุกใจแล้วทุกทางกายเป็นอย่างไรสเรระเนี่ยมันจ้างแต่ตั้งแต่อยู่ในคันจนยันตายเนี่ยมันมีความทุกขเหล่าใดมาบ้างแล้วความทุกทางจิตใจเนี่ยนะทุกจากเรื่องอะไรบ้างทุกที่กิเลสที่มันเป็นพิษอยู่ข้างในเนี่ยมันทุกอย่างไรบ้างแล้วเปรียบเทียบความทุกเหล่านั้นเหมือนอะไรเหมือนเหว เหมือนกับว่าเขาตกเหวเหมือนถูกลูกศรยิงเหมือนถูกความมืดเนี่ยหุ้มห่อปกคลมุมเหมือนปลาที่ถูกตาข่ายหรือเหมือนกับไฟในสิอกองแผดเผาแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางผิดเดินทางไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนระกเป็นต้นแล้วก็มาแบ่งความทุกข์หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสแบ่งกิเลสที่เขาเดือดร้อนเป็นกิเลสหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกเจ็ดปดเก้าสิบหมวด นะตันหาร้อยแหมวดที่หกสิบสกายยะที่ิเนนะสารพัดชนิดที่เขาเดือดร้อนเร่าร้อนสรุปว่าความทุกข์ร้อนทางร่างกายและจิตใจพอพระองค์เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดพระองค์าก็การุณาตักเตือนน้อมไปเพื่อจะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกเสร็จแล้วพระองค์ก็แผ่แผ่กรุณาสมาบัติยานเสร็จแล้วพระองค์ก็จะแผ่พุทธจักรสุยาน ด้วยพุทธจักสูตรวจดูสรรพสัตว์ในหมื่นโลกธาตุว่ามีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้บ้างเนี่ยนะมีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้บ้างมีเหตุการณ์ใดที่พระองค์ต้องไปประพฤติพุทธกิจเพื่อสงเคราะห์ชนเราอื่นได้บ้างพระองค์ตรวจดูเสร็จก็เห็นยักษ์กินคนชื่อว่ากลมพระ ก, กันนะกลมพระกันแปลว่ากลุ่มยักษ์นะมีอนุภาพเสมือนกลมพระ ก, กันปรากฏเรือนร่างร้ายอยู่ที่ปากตงใหญ่คอยดัก ตัดการสัญจรทางเข้าดงอยู่พระองค์ก็เสด็จไปแต่ลําพังพระองค์เดียวไม่มีสหายเข้าไปยังพบของยักษ์นั้นเช่นกับพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปโปรดพระองคลีมานใช่หตอนที่นั้นพระองค์ก็เสด็จไปแต่เพียงพระองค์เดียวด้วยเพศเหมือนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองพระองค์ไม่ได้ไปไปเหมือนในเพศพระพุทธเจ้าคือพระองค์ก็ปกปิดพระรัศมีทั้งหมดด้วยจีวรเนี่ยนะ รังสีของพระองค์ปกติแสงจันทร์แสงอาทิตย์ตัดไม่ได้แต่ใช้จีวรคลุมได้ก็เหมือนกับที่สุรูปหนึ่งที่ถือธุดงธรรมดานี่แหละนะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมดานี่แหละก็อุ้มบาดไปชาวประชาชนทั้งหลายก็ห้ามมาญาเลยทางนั้นโจรเนี่ยดุมากโจรองค์ครีมานอยู่ทางนั้นอย่าไปเลยสมณะนะนะมีการห้ามนี่ก็เหมือนกันพระองค์ก็จะเสด็จเข้าไปที่ปากเรียกว่าเข้าไปในเมืองยักษ์ครับั้นเข้าไปในเมืองยักษ์อย่าเข้าไปเลย แต่พระองค์ก็ไม่มีสหายเสด็จเข้าไปยังพบของยักษ์เข้าไปข้างในไปถึงก็ไปประทับนั่งบนที่นอนอันมีสิริเลยนะไปถึงไปตรงไหนไปนั่งอยู่บนที่นอนของยักษ์นั่นแหละครั้งนั้นยักษ์ตนนั้นทนการลบหลู่ไม่ได้อันนี้มันดูถูกเหยียดยม้มทำไมมันเอากันขนาดนี้เหมือนกันนะแหมมันนั่งที่นอนของเราได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงมาถึงเตียงนอนเลยน่ะนะเกินไปแล้วก็เลยกริ้วโกรธเหมือนงูที่มีพิษร้ายแรง พอใช้คำว่างูมีพิรยแรงความโกรธขนาดที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะไม่ค่อยต่างอะไรจากกลมอสรพิษมันก็เหมือนกับอสรพิษที่ถูกตีด้วยไม้ก็เลยประสงค์จกขู่พระทศพลให้กลัวทำอัตภาพของตนให้ร้ายกาดทำศีรษะเหมือนภูเขาเนรมิตดวงตาทั้งสองเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะแสดงว่าตาเนี่ยแดงําพร้อมที่เหมือนจะซดซดแ่ลวนั้นนะดูดเข้าไปได้ค ทำเขี้ยวคมยาวแล้วก็ใหญ่เหมือนกับหัวขันไถมีท้องเขียวใหญ่แล้วก็ห้อยลงอ่ะนะแสดงว่าท่านอยากบอกว่าพุงโตกสีเขียวนั่นแหละมีแขนอย่างก็เรียกว่ากระหล่ำต้นตาลอา่ามีแขนเหมือนกะล่าต้นตาลมีจมูกแบนวิกกและก็คดมีปากแดงใหญ่ยังกะปล่องภูเขามีเส้นผมใหญ่เหลืองแล้วก็หยาบเนี่ยนะเส้นผมยังกะทองแดงเหมือน มีแววตาน้ากลัวอย่างยิ่งกว่าปรากฏรัศมีอ ม, มหิทธิมโหดมาอย่างเห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะปัญหามันวิ่งไม่ออกนี่เนี่ยเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยนะมายืนอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคสุมเมธะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะเนรมิตรเป็นยักษ์หรือว่าเปนเป็นเทพพรธิดา ม, มาพราะองค์ก็ว่ามันไม่ต่างกัน ในความรู้สึกพระพุทธเจ้าในสายตาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเรยริรมิดมาเป็นนางฟ้าที่ไหนก็ช่างเถอหรือจะเนรมิดมาเป็นยักษ์หน้าเกลียบปานใดพระองค์ก็เหมือนกันนั่นแหละบังหวนนะยักษ์นั้นก็แหมอดทนไม่ได้เลยนะก็เลยบังหวนควันบรรดาลไฟที่ลุกโคลงโชนบันดาลฝนก้าวหย่างตอนแรกก็ใช้ฝนหินนี่ให้ตกลงมาให้ทับพระพุทธเจ้าให้ตาย เสร็จแล้วก็กลายเป็นฝนดอกไม้ไปแล้วก็ฝนภูเขาเอาภูเขาตกมาเป็นลูกๆเลยนะยิ่งหนักกว่ระเบิดเป็นตันๆอีกนะตกลงมาแล้วก็เปลวไฟพ่นพ่นไฟออกมาฝนน้ำฝนตะมะเปลือกตมฝนขี้เท่าฝนอาวุธฝนฐานเพลิงแล้วก็ฝนตะายให้ตกลงมาฝนทั้งเก้าชนิดนั้นก็ไม่อาจทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าขยับเยือนแม้เท่าปลาย ขนเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสะดุ้งแม้แต่นิดเดียวพระองค์ยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจะถามปัญหาแล้วก็ฆ่าซะแล้วถามปัญหาเหมือนอลาวัคยักษ์ในครั้งนั้นเดี๋ยวเราเรียนสุตตานิบาตเล่มสี่สบแต่ถึงปัญหาของอละวะัคะยักษ์เขาก็มีการสู้รบคล้ายกันนี่แหละนะเสร็จแล้วพระองค์ถอดฝึกอละวัคยักษ์เสร็จพระองค์ก็ได้บริวารคือหัตถอละวะกะเนี่ยนะหัตถอละวะกะที่เป็นอักระอุปถัมภ์นั่นมา ส่วนพระพุทธเจ้าพระนามวาสุเมศนั้นพระองค์ก็ทรงนำยักษ์ตนนั้นเข้าสู่วิไนเข้าสู่สังวรวิไนเข้าสู่ปหานาวินยัยเข้าสู่สมุชเฉชทาวิไนเนี่ยนะแล้วก็พยากรณ์ปัญหาเล่ากันมาว่าในวันที่สองคืนนั้นเนี่ยฝึกยักษ์สำเร็จใช่ไหมรุ่งขึ้นจากวันนั้นพวกมนุษย์ชาวเว่นแคว้นก็นําเอาราชกุมารพร้อมด้วยพัตตาหารที่บรรทุกมาเต็มเกวียนมอบให้ยักษ์ตนนั้น ยักษ์นั้นก็ถวายราชกุมานแด่พระผู้ถ่อเจ้าเพราะว่าเป็นพระโสดาบันไปแล้วไปกินอะไรกันนี่พวกมนุษย์อยู่ที่ประตูดงก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนั้นสมาคมนั้นพระโทศพลเมื่อจะแสดงธรรมอันเหมาะแก่ใจของยักษ์ ยังธรรมจักรสุให้เกิดแก่สัตว์เก้าหมืโกดเนี่ยนะธรรมจักรสุโสดาปฏิมัคสกธาคามิมกักอนาคามิมกักยังเห็นอริยศสัสตร์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อแทงตลอดนิโรสัจจะกองทุกข์ก็เป็นอันดับเนี่ย น, นะท่านก็อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ครั้งที่สอง พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าในวันรุ่งขึ้นพระชินผู้ทระเจ้ า, าพระองค์นั้นทรงฝึกยักษ์กลุ่มภัณฑ์เนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมอย่างใหญ่ครั้งที่สองก็มีแต่สัตว์จำนวน 90,000 โกนครั้งที่พระองค์ทรงประกาศสัจจะสี่นสิรินทราชเนี่ยน ะ, ระเราอุทยานเป็นอุทยานเป็นสวนณเมืองอุปการีนครชื่อเมืองก็วิจิตเปลี่ยนแปลกันไปนะ ธรรมิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สาก็มีแก่สัตว์จำนวน8 0 0หมื่นโกด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าต่อมาอีกพระผู้มียศหาประมาณไม่ได้คือคำว่ายศหมายถึงบริวารชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยนะขจรกระจายไปในเทวดาและมนุษย์สุดที่จะขนานานับเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ประกาศอริยสัจว์4ทุกสมุทัยมิโรดมกักอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สก็ได้มีแก่สัตว์ 80,000 ืโกด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธามีสาวกสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรันขีณาศพไร้มนทินสมครั้งครั้งที่หนะึ่งณกรุงสุทัศน์มีพระขีณาศพร้อยโกธสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองเมื่อสมัยกลานกถินกลานกถินหลังจากออกพรรษานี่นะณภูเขาเทวกูดมีพระอรหันต์เก้าสิบโกธส่วนครั้งที่สพระพุทธองค์เสด็จจาริกเมียพระอรหรรันตะ์แปดสิบโกธนะก็ มีการประชมผู้ที่เป็นพระอรหันตะขีนาศบไร้มนทินผู้มีจิตสงบคงที่สามครั้งครั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นมานพที่เป็นยอดของคนทั้งปวงชื่อว่าอุตระยอดของชายหนุ่มเพราะงั้นเป็นื อ, อไม่มีใครจะเหนือกว่านี้อีกแล้วอุตระแปลว่าเหนือกว่าเพื่อนหมดเลยอุตระมานพนั้นก็สละทรัพย์แปดิบโกศที่ฝังเก็บเอาไว้ ถวายมหาทานแด่ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฟังธรรมของพระทศพลในครั้งนั้นตั้งอยู่ในสารณะในที่สุดก็ออกบวชพระศาสดามแม้พระองค์นั้นเมื่อทรงทำรรอนุมโมทนาโภชนะทานก็พยากรพระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคตการพระโพธิสัตว์จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะดังที่พระองค์เล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นมานพชื่อว่าอุตระสั่งสมทรัพย์ไว้ในเรือน80โกด เราถวายทรัพย์นั้นทั้งหมดสิ้นคือมาเฉลี่ยเป็นปัจจัย4เนี่ยนะก็ทบุญหมดนะถวายแด่พระผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะและเราชอบใจการบวชเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงทาอนุโมทาก็พยากรว่าท่านผู้นี้อีกสามหมื่นกับจะเป็นพระพุทธเจ้านะอีกสามหมื่นกับเองนะไม่นานสักเท่าไหร่ หลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วพระโพธิสัตว์ฟังดำพระดำรัตของพระพุทธเจ้าสุมเมศเสร็จพระองค์ก็มีจิตเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์พระโพธิสัตว์ก็เล่าเรียนพระสูตรเรียนพระวินยัยเรียนคําสอนอันประกอบไปด้วยองค์เก้าในพระพุทธศาสนาทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสุตตะเขยะวยาการณาคาถาอุทานนิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละอย่างไม่เหลือ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 ก็ทรงแปลว่ารักษาซึ่งาศาสนาของพระาศาสดาก็คือช่วยกันยังให้รุ่งเรืองอย่างน้อยที่สุดยังอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาให้รุ่งเรืองในใจของตนก่อนพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งไม่นานนักก็ถึงฝั่งแห่งอภิญญาห้าสมาบัติ8เข้าถึงพรหมโลกเนะนะ ย้อนกลับมาเกี่ยวกับรายละเอียดพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์มีนครที่เกิดชื่อว่าสุทัศนะพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทัตะพระพุทธมารดาพระนางสุทัตาคู่พระอัครสาวกพระสารณะและสัพพกามีอุปทาชื่อว่าสาคราอัครสาวิกาชื่อว่าพระรามาสุรามาต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่ามหานีปะต้นกระทุ่มใหญ่ สรีระสูง8ปดสบแปดศอกพระชนมายุเก้าหมื่นปีครองคารวาตวิสัยเก0 0พันปีอัครมเมหีพีะนางสุมนาพระโอรสปุณปุณพะสมิตะออกอภินศสกรมด้วยยานคือช้างมีข้อความที่เปรียบเทียบเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่า ธรรมดามีรัตรนะของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมส่องสว่างไปได้โยอหนึ่งชันใดรัตรนะคือรัศมีของพระสุเมธาพุทธชาพระองค์นั้นก็แผ่ไปโยอหนึ่งโดยรอบฉะนั้นเหมือนกันในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ9ก้าหมื่นปีพระองค์มีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นย่อมอยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร พระศาสนานี้เกลื่อนกลนไปด้วยพระอารหันต์ผู้มีวิชาสามอภินยาหกผู้ถึงกาลังผู้คงที่อย่างดีพระอารหันต์เหล่านั้นทั้งหมดมียศที่หาประมาณไม่ได้ท่านเหล่านั้นทั้งหมดหลุดพ้นจากอุปธิท่านผู้มียศใหญ่เหล่านั้นแสดงแสงสว่างคือยานเสร็จแล้วต่างก็นิพานไปนะท่านบอกว่า ผู้ปราศจากอุปธิเนี่ยนะนิรูปทีได้แก่เว้นจากอุปธิสี่พาทหารทั้งหลายล้วนจะพ้นจากกิเลสูปธิอภิสังขารูปทิเนี่ยนะอะไรอีกขันฑูปธีมีอะไรอีกอุปธิ4เนี่ยนะกาโมปธิกิเลสูปธิอภิสังขารูปธิแล้วก็ขันฑูปฏิเนี่ยนะพ้นจากอุปธิทั้ง4ประการโดยการตัดฉันทราคะละอาลัยในขันห้าโดยประการทั้งปวง อันนี้ก็เป็นวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมศส่วนพระพุทธเจ้าสุชาตินี่คงเวลาไม่พอก็ไว้เป็นวันศุกรากันแล้วกันก็ได้สั่เสริญพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ฟังคำสอนที่เป็นพุททวงอย่างนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีนะนะพระพุทธเจ้า ภาคเพียรพยายามปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นใดขอเราทั้งหลายเพึ่งเป็นผู้มีความเพียรโดยเสด็จพระองค์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดแล้วพ้นทุกข์ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนในการตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ธรรมของพระองค์ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่ทุกข์ขอให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติ นะนะรักษาธรรมเจริญในคุณธรรมเหล่านั้นขอให้ธรรมที่เราเจริญและช่วยปกปักรักษาให้เราพ้นจากทุกทั้งปวงหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะเห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระนิตรัสรนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นใดขอพวกเราทั้งหลายมีโอกาสได้ตรัสรู้เช่นนั้นขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกโดยท่วนกันเนี่ยนะก็อนุมโมทนาด้วยกับทุกคน